จเจริญสุขสวัสดีท่านนักศึกษาและท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็ถึงประวัติของท่านพระราทะเถระท่านพระราทะเถระนี้ในสกุลเดิมของท่านท่านเกิดในสกุลของพรามหรือเรียกว่าในวันณะของพรามในพระนครราชครุแต่ว่า ในธรรมบทภาคสี่นั้นกล่าวว่าเมื่อท่านเป็นครหัสนั้นอยู่ในนครสาวัตถีพระบรมศาสดาทรงปรารพเรื่องนี้ประทับอยู่ที่พระเชตวันแต่ในประวัติของท่านในอนุพุทธประวัตินกล่าวว่าท่านเป็นคนพนครราชฤกษ์ เดิมชื่อราทะสกุลของราทะพรามนี้เป็นสกุลที่มั่งคัง่งสกุลหนึ่งเรียกว่าอยู่ในขั้นเป็นตระกูลที่วเศษฐีแต่ว่าราทะพรามนี้ได้มอบทรัพย์สมบัติให้แก่บุตรและพันยาของตนเองเมื่อตนเองพอแก่เท่าชลาแล้ว ทำการงานเลี้ยงชีพไม่ได้รับสมบัติก็มอบให้บุตรพัญญาหมดบุตรและพัญญาก็จึงเกิดความรังเกียจและไม่เลี้ยงดูก็เลยกลายเป็นคนยากจนเข็นใจไปเมื่อกลายเป็นคนยากจนเข็นใจไปนั้นก็มาคิดถึงว่าธรรมดานั้นพระภิกษุเป็นผู้ที่มีหน้าหงายอยู่เสมอคือหมายความว่าเป็นผู้ที่มีหน้าสีสาหรับไว้ต้อนรับแขกเสมอ เราจะไปอาศัยพระภิกษุในพระเวรุวันมหาวิหารนี้เลี้ยงชีพเมื่อคิดดังนั้นแล้วราธาพรามผู้นี้ก็จึงได้เข้าไปยังวัดเวรุวันมหาวิหารได้เป็นดายยาถางยาที่ลกลุงลังให้โล่งเตียนกระทำบริเวณที่ไม่สะอาดให้สะอาดแล้วก็ได้ปฏิบัติ อุปถากพระภิกษุภิกษุสงฆ์สมณ น, นโดยการที่ถวายน้ำล้างาล้างหน้าบ้างถวายน้ำล้างปากบ้างแม้กระทั่งการต้มน้ำให้ฉันและก็ซักจีวรและผ้เาเครื่องนุ่งห่มต่างๆทำจนเป็นที่ให้ภิกษุทั้งหลายนั้นเกิดความโปรดปลาหรือปลา น, นีขึ้น ก็จึงได้ได้ให้อาหารก้นบาทหรือว่าอาหารจากการที่ภิกษุชันนั้นเหลือนั่นก็ได้ให้แก่พรามนี้แต่เพราะการกระทาที่พรามรามร า, าพรามผู้นี้ได้ปฏิบัติอยู่เป็นนิดไมออ่อยู่เป็นนิสเสมอไม่ขาดบกพราะไม่ขาดตกบกพร่องจึงทำให้ภิกษุทั้งหลายโปรดปรานเป็นอันมากเพราะฉะนั้น เมื่อได้อาหารมาแล้วก็จึงจัดแบ่งไว้ให้พรามนี้พรามนั้นได้อาศัยอาหารจากพระพิสุเรียงชีพก็เป็นผู้ที่มีอินทรีย์ผ่องใสร่างกายอ้วนทุนสมบูรณ์แต่อยู่ต่อมานั้นราธพราหมณ์ผู้นี้เกิดศรัทธาราสาธในพุทธศาสนาใครอยากจะบวช แต่ไปขอพิกษุรูปใดให้บวชให้ก็ไม่มีพิสษุรูปใดที่ยินดีจะบวชเพราะเหตุที่วาราธาพราหมณผู้นี้เป็นผู้แก่เท่าชะลาแล้วจึงไม่เต็มใจที่จะให้บวชราธาพราม์นั้นเมื่อตนเองไม่ได้การอุปสมบทในพุทธศาสนาก็เกิดจิตใจเศร้าหมองร่างกายก็ผายผอมอินทรีย์ก็เศร้าหมอง วันหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าได้ทรงเร็งพยานดูแล้วเห็นว่าราธาพรามผู้นี้อยู่ในไข่แห่งพยานของพระองค์ก็ทรงพิจารณาต่อไปว่ามรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นแก่ราธาพรามนี้หรือไม่ก็ปรากฏว่ามรรคผลนิพพานนั้นจะเกิดขึ้นแก่ราธาพรามดังนั้น องทุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าวันหนึ่งก็จึงได้สเสด็จเที่ยวไปภายในวัดเหมือนกับว่าเที่ยวตรวจดูวัดไปในที่ใกล้ของราธาพราหม์แล้วก็จึงได้สอบถามดูว่า ด, ดูก่อนราธพิกษุนเธอนั้นยังได้รับอุปการะคุณแก่ จากพวกพิสุสมณเณรดีอยู่หรือราธาพรามก็กล่าวว่า <c oughs> พระเจ้าข่าได้รับอุปการะแต่เฉพาะเรื่องอาหารเท่านั้นแต่ว่าคราพุทธเจ้านั้นต้องการที่จะบวชแต่ไม่มีพิกษุรูปใดที่จะบวชให้อาศัยเหตุนี้องค์สุเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสเรียกประชุมพระพิสุทางวัด แล้วพระองค์ก็จึงได้ตัดถามรับสั่งถามพิสุททั้งหลายว่าใครระลึกถึงอุปการะคุณของพราหมผู้นนี้ได้บ้างท่านพระสารีบุตรก็จึงได้กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้านั้นระลึกได้อยู่คือวันหนึ่งข้าพระพุทธเจ้านั้นได้เที่ยวไปบิทบาทในกรุงราชคลึพราหมณ์ผู้นี้แหละได้ให้อาหารได้ถวายอาหารแก่ข้าพุทธเจ้า งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าดีละดีละสาลีบุตรธรรมดาสัตว์รุษนั้นเป็นคนกะตันยูกะตะเวทีถ้าอย่างนั้นสาลีบุตรเธอจงให้พรามนิบุตรข้านทรงอนุญาตให้ภาษาลีบุตร บวชปาทพราหมแล้วปลาท่าพราหมอย่างนี้แล้วก็จึงได้ตัดให้เลิกการอุปสมบทโดยไตรสารณนาคมหรือที่เราเรียกกันว่าติสารนาูปสัมปทาคือการบวช ด, ด้วยถึงซึ่งพระรัตนตรยัยหรือถึงถึงซึ่งรัตนะทั้งสามเป็นสารรณะที่พึ่งที่ลึกที่ได้ทรงอนุญาตไว้ให้ภิกษุสาวก บทกุลบุตรไว้แต่เดิมโดยเปลี่ยนมาให้ใช้การอุปสมบทโดยจะยติจตุธกรรมวาจาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปโดยการมอบให้สงเป็นใหญ่ในสังฆกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นในสังฆกรรมที่ให้อุปสมบทโดยยติจตุธกรรมวาจานี้ โดยให้สงเป็นใหญ่ในการอุปสมบทซึ่งมีพระภิกษุผู้แนะนําที่เรียกกันว่าอุปเชียยะเป็นผู้แนะนํำข้โมูกท่านพระราธะเป็นองค์แรกในพระพุทธศาสนาที่ได้รับการอุปสมบทด้วยวิธีนี้ราธะเทียมพระราธะภิกษุนั้นเมื่อได้รับอุปสมบทแล้ว วันหนึ่งก็จึงได้เข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดากราบทูลว่าขอพระองค์จงแสดงธรรมแก่ข้าพระพุทธเจ้าโดยยอ่อๆที่ข้าพระพุทธเจ้าได้ฟังแล้วจักเลิกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวเป็นคนไม่ประมาทมีความเพียรทรงจิตไปในภาวนา พระบรมศาสดาก็จึงได้ตรัสสอนว่าราธะสิ่งใดเป็นมารเธอจงละความกำหนัดพอใจในสิ่งนั้นเสียอะไรเล่าเป็นมารอะไรเล่าที่ชื่วามารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตนมีความสิ้นไปเสื่อมไป เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดานี่แหละชื่อมาเธอจงละความพอใจในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นั้นเสียในที่นี้องค์ทุเดศพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงตรัสสอนเก่พระราธะว่าให้ละความพอใจในมารเสียก็คือในขันห้าพระองค์ทรงตรัสขันห้าว่าเป็นมาร ที่เรียกว่าขันธมธรพระราธะรับโบวาที่พระบรมศาสดาตรัสอย่างนี้แล้วก็ได้เที่ยวจาริกติดตามไปกับพระอุปชายยะคือท่านภาษาดีบุตรไม่นานนักก็สาเร็จอรหันต์ก็สาเร็จพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ขันพระราธะได้บรรลุพระอรหันต์แล้ว ท่านภาษาริบุตรก็พามาเฝ้าพระบรมศาสดาพระองค์ก็ทรงปราศัยแต่ถามว่าสัตวิหาริกของเธอนี้เป็นอย่างไรภาษาริบุตรก็จึงได้กราบทูลว่าสัธิวิหาริกของข้าพุทธเจ้าคนองนี้เป็นคนที่วันนอนสอนง่ายเมื่อแนะนําสั่งสอนว่าสิ่งนี้ควรทําสิ่งนี้ไม่ควรทํา เธอจงทำอย่างนี้อย่าได้ทำอย่างนั้นดังนี้ก็ไม่เคยโกรธเลยพระพุทธองค์ก็จึงตรัสตัวตรัสถามมิสุว่าอันตรสามภาษาลิบุตรว่าถ้าหากว่าเธอได้สัิวิหาริเช่นนี้เธอต้องการอีกประมาณเท่าไหร่ท่านภาษาลิบุตรก็จึงได้กล่าวทูลว่าถ้าหากว่าได้สัิวิหาริเช่นนี้แล้วข้าพุทธเจ้านั้นต้องการที่จะได้มากๆพระเจ้าค่ะ ดังนั้นพระบรมศาสดาก็จึงได้ถือเอาเหตุนี้แหละได้ตรัสสอนให้พิสุทธ์ทั้งหลายถือเอาเป็นตัวอย่างว่าเธอทั้งหลายนั้นจงเป็นคนว่า ง, ง่ายสอนง่ายอย่างราธะเธอเมื่ออาจารย์ชี้โทษสั่งะสั่งสอนอยู่ก็ยังได้ถือโกรธควรครบแต่บัณฑิตที่ตนเห็นว่าเป็นคนแสดงโทษแล้วก็กล่าวคบ ให้เป็นดุจค น, คนชี้ขุมทรัพย์ให้เพราะคนที่ครบบัณฑิตนั้นเช่นนั้นมีคุณประเสริฐไม่มีโทษอันเป็นส่วนลามกเลยในทีน่นี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงตรัสสอนพิสุวา่าให้เห็นบุคคลที่ชี้โทษเหมือนกับบุคคลที่ชี้ขุมทรัพย์ให้อันนี้เพราะอะไรเพราะคนเราทุกคนนั้น โดยมากมักมันจะไม่รู้ความผิดของตัวเองหรือเป็นคนที่เขาค้างตัวเมื่อตัวผิดแล้วก็เห็นว่าไม่ผิดหรือไม่ยอมรับผิดเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลอื่นเขาเห็นความบกพร่องหรือความผิดในตัวเราแล้วชี้โทษหรือบอกแนะให้อย่าได้โกรธพึงเห็นว่าเหมือนกับเขาชี้บอกคุณทรัพให้เพราะอะไรเพราะว่าเขาชี้จุดอ่อนหรือว่าชี้โทษ ที่ความผิดของเรานั้นก็เพื่อที่จะให้เรากลับตัวเสพประพฤติให้ดีให้เหมาะสมแก่สมณะสารูปอันนี้เหมือนกับเป็นทรัพย์อย่างหนึ่งเหมือนกับว่ายังให้เรานั้นกําจัดของที่เสียไปเสียแล้วก็นําของที่ดีมาเก็บไว้ดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสว่าการคบบัณฑิตนั้น่ะมีแต่คุณประเสริฐไม่มีโทษอันเป็นส่วนลามกเลย และพระองค์ก็ทรงยกย่องสรรเสริญพระราทานิวาเป็นผู้เลิศกว่าพิสุทธิ์ทั้งหลายที่มีปฏิพานคือยานอันแจ่มแจ้งในพระธรรมเทศนาองค์สุเดระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องพระราทะว่ามีปฏิพานคือยานในแจ่มแจ้งในธรรมเทศนาคือพระองค์ทรงเทศนาโปรดเกี่ยวกับเรื่องมาแล้ว ราทะพรามนี้ก็สามารถที่จะเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งและประพฤติปฏิบัติตามพระโอวาทของพระองค์นั้นก็สามารถได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์ท่านพระราธานีดำรงดำรงชนมายุสังขารอยู่โดยสมควรแก่การแล้วก็ดับขันธปรินิพานนี่เป็นประวัติของท่านพระราทัซึ่งเป็นพระเถระรูปหนึ่งเป็นผู้ที่ว่า ง, ง่ายสอนง่าย แม้แต่ตัวแก่เท่าชลาแล้วก็ยังเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายจึงนับว่ามาน่าเอาเป็นทิศฐานนุคติคือแบบอย่างประการหนึ่งต่อไปก็ถึงประวัติของพระมหาเถระองค์ที่สามสิบห้า ประวัติของท่านพระมหาเถระองค์ที่สามสิบ้านี้ก็คือประวัติของท่านพระปุณณมันตานีบุตรพระปุณณมันตานีบุตรนี้เป็นบุตรของพรามณมหาสารคือเป็นผู้เกิดในตระกูลของในตระกูลหรือวัณณะของพราหมณ์แต่ว่าเป็นพราหมณมหาสารคือที่มีทรัพย์มาก ในบ้านพรามณชื่อว่าโทนวัตุบ้านโทนวัตุนี้อยู่ไม่ห่างไกลจากกรุงก บ, บิลพัทเดิมนั้นท่านชื่อปุณณนะแต่เมื่อเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วสหพรมจารีทั้งหลายเรียกท่านว่าเรียกชื่อท่านว่าพระปุณณะมันตานีบุตรก็เพราะเหตุที่ว่า มารดาของท่านนั้นชื่อนางมันตานีพรามณีนางมันตานีพรามณีผู้นี้เป็นน้องชายแท้ๆของท่านพระัญญากทลัญะเพราะฉะนั้นพระปุณณนะปุณณมานพนี้จึงเป็นหลานของท่านพระัญญากณลัญะการที่พระอาการที่ปุณณนะ มานพนี้ได้เข้ามาอุปสมบทในพุทธศาสนาก็เพราะเหตุที่ว่าลุงของตัวเองลุงของตนเองคืออัญญาโกนทัญญานี้ได้ไปชักนําในตอนที่องค์ทศเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศรพระสังทรงภาษาบกไปประกาศศาสนาครั้งแรกท่านพระัญญาโกนทัญญานี้แหละก็ได้กลับไปประกาศศาสนายัางบ้านเดิมของตนเองหรือชาติแต่ภูมิของตนเอง ก็คือกลับไปยังบ้านโทนวัตถุแล้วก็ได้ไปชักนำเอาหลานชายของตัวเองซึ่งเป็นลูกของน้องสาวคือนางมันตานีพราหมณีผู้นี้ให้เข้ามาอุปสมบทเมื่ อ, อปุณณมานพนี้ได้เข้ามาอุปสมบทบวชในพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้อยู่อย่างที่ บานเกิดขึ้นตัวเองที่เรียกว่าประเทศที่ชื่อว่าชาติภิมิในเมื่อพระบรมศาสดานั้นประทับอยู่ที่กรุงราชคลึกท่านพระัญญากนทญานีก็ได้ไปเผยแผ่ศาสนาก็ยังอยู่ที่กรุงกบิลพั์แล้วก็ให้ล้านชายคือมาอคือปุณณามกนมีบวช ขั้นบวแล้วปุณมปณมนตานีบุตร พ, พระปุณณปันตานีบุตรผู้นี้ได้บําเพ็ญเพียรไม่ช้านักก็ได้สำเร็จพระอรหัตเมื่อได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วท่านพระปุณณมันตานีบุตรผู้นี้ตั้งอยู่ในคุณธรรมสิบประการด้วยกันคือหนึ่งเป็นผู้มักน้อยสองสันโดษสามชอบสงัด 4. ไม่ชอบเกี่ยวข้องด้วยหมู่คณะห้าปรารบความเพียนหบริบูรณ์ด้วยศีลเจ็ดบริบูรณ์ด้วยสมาธิแปดบริบูรณ์ด้วยปัญญาเก้าบริบูรณ์ด้วยวิมุตติและก็สิบบริบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัศนะ คือความรู้เห็นในวิมุตต์คือความหลุดพ้นแม้เมื่อท่านมีบริษัทบริวารท่านก็สั่งสอนบริษัทบริวารของท่านนั้นให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมสิบประการนี้นเหมือนกับท่านเหมือนกันคือตัวเองท่านเป็นผู้ปฏิบัติ ด, ด้วยแล้วก็สอนให้สหธรรมิกซึ่งเป็นสานุศสิทธิ์ของท่านตลอดพุทธบริษัทอุบาสกบสิกาซึ่งท่านสั่งสอนนั้น ให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมสิบประการนี้ด้วยท่านต่อมาเมื่อพิสุผู้เป็นบริวารผู้เป็นสัิวิหาริกอันเตวาสิทิของท่านลาไปเฝ้าพระบรมศาสดาก็ได้ทุลได้ทูลได้ทูกราบทูลพรรณน า, นาคุณของพระอุปชาของตนว่าตั้งอยู่ในคุณธรรมสิบประการนั้น แล้วก็สั่งสอนให้ภิกษุบริษัทตลอดถึงอุบาสกอุบาสิกาบริษัท ต, ตั้งอยู่ในคุณธรรมสิบประการนั้นด้วยซึ่งในขณะที่บรรดาสารุสิทธ์ได้พลณนาคุณของอาจารย์นั้นก็ปรากฏว่าในขณะนั้นท่านภาษาลิบุตรก็นั่งอยู่ในที่นั้นด้วยได้ยินภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น ทูลอทูลกราบทูลพรรณน า, นาถึงคุณของพระปุณณนะมัตานีบุตรก็มีความประสงค์อยากจะรู้จักและก็อยากจะสั่งสนศสนาด้วยก็จึงคอยหาโอกาสอยู่ดังนั้นเมื่ออยู่มาอยู่ต่อมาการครั้งหนึ่งเมื่อพระบรมศาสดานั้นเสด็จมาเมืองสาวัตถีเสด็จประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถี คือที่พระเชตวันมหาวิหารซึ่งวัดนี้พระเชตวันมหาวิหารนี้เป็นวัดที่อนาถบินทิกาเศรษฐีเป็นผู้สร้างถวายแล้วก็สถานที่คือพระเชตวันมหาวิหารนี้พระองค์ทรงประทรับมากที่สุดทรงประทรับอยู่ถึง19พรรษาประทรับอยู่ถึง19พรรษา แต่พระองค์ทรงประทับอยู่ในเมืองสาวัตถีนี่รวมดดวกกันทั้งหมด 25,000 าคือประทับอยู่ที่วัดปุพารามซึ่งนางวิสาขามหาอุบาสิกานั้นเป็นผู้สร้างถวาย 6,000 าในชีวิตของพระองค์นั้น 45,000 าพระองค์ทรงประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถี 25,000 าและประทับตามพระนครต่างๆหรือวัดต่างๆ อีกเพียงยี่สิบพรรษาเท่านั้นดังนั้นเมื่ออยู่ต่อมาพระเมื่อพระบรมศาสดาประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีนั้นที่พระเจตวันมหาวิหารท่านพระปุณณมันตานีนีบุตรผู้นี้ได้ไปไปเฝ้าไปเฝ้าพระบรมศาสดา เมื่อลีกออกจากที่เฝ้าแล้วท่านภาษาลิบุตรทราบข่าวเข้าก็จึงได้เข้าไปสนทนาปราศัยซึ่งธรรมะธรรมสากระฉาซึ่งกันและกันแล้วท่านภาษาริบุตรก็ได้ตายได้ตายถามถึงเรื่องวิสุธทธิเจ็ดประการวิสุธทธิเจ็ดประการนี้ซึ่งมีศีลวิสุธทธิเป็นต้น ได้ไต่ถามถึงเรื่องวิสุทธิเจ็ดประการท่านพระปุณณามันตานีบุตรนี้ก็ได้วิสัชนาอธิบายขยายความแห่งวิสุทธิเจ็ดประการนี้โดยการชักอุปมาอุโมไมเปรียบเทียบด้วยละเปรียบเทียบ้วยลดเหมือนกับรถที่เทียบโดยมา้าในที่สุดแห่งการปุจฉา วิสัชนากันคือการธรรมสากระฉาสนทนาปราศัยถึงเรื่องวิสุทธิที่เจ็ประการเดียกันนี้ท่านพระเถระทั้งสองคือท่านพระสารีบุตรและก็ท่านพระปุณณมานตานีบุตรก็ต่างอนุโมทนาภาษิก ข, ของกันและกันท่านพระปุณณมานตานีบุตรผู้นี้อาศัยความที่ตนเองตั้งอยู่ในคุณธรรมเช่นไรแล้ว ก็อสอนบุคคลอื่นให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมเช่นนั้นด้วยพระบรมศาสดาก็จึงได้ทรงยกย่องสรรเสริญว่าท่านเป็นผู้เริศกว่าผู้เลิศกว่าพิสุทิทั้งหลายฝ่ายเป็นพระธรรมกถึกพระธรรมกถถึกนี้ก็คือนักเทศก็คือว่าท่านได้เอาธรรมะสิบประการ ซึ่งมีความมักน้อยเป็นต้นซึ่งเป็นคุณธรรมของท่านอของสมณะจะพึงประพฤตินี่แหละเทสั่งสอนพุทธบริษัทอบรมพระพิสุสมณเณรแล้วก็ผูบาสกบาสิกาทั้งหลายให้ดำรงอยู่ในคุณธรรมสิบประการนี้ความมักน้อยความสันโดษความมักน้อยนี่ก็เหมือนกัน เป็นคุณธรรมที่สมณะควรจะพึงมีไว้หมายถึงว่าได้ปัจจัยสี่ได้อย่างไรก็ฉันอย่างนั้นได้อย่างไรก็ใช้สอยหรือบริโภคอย่างนั้นโดยที่ไม่โลภต้องการจะให้ได้ของที่ดีหรือให้มากขึ้นมักน้อยไม่มีความมากมากสันโดษก็คือว่าเป็นคนที่ยินดีเฉพาะของที่ได้อยู่ ไม่ยินดีที่ของไม่ได้ได้อย่างไรก็ฉันอย่างนั้นสันโดดยินดีชอบส ง, งัดก็คือว่าไม่ชอบคลุกคลีด้วยหมู่คณะเพราะว่าเมื่อการคลุกคลีด้วยหมู่คณะแล้วก็จะทำให้การบำเพ็ญสมณธรรมนี้เสื่อมเสียไปและก็ไม่ชอบเกี่ยวข้องด้วยด้วยหมู่เพราะการเกี่ยวข้องด้วยหมู่คณะ น, นี้ย่อมจะเกิดมีสิ่ง อื่นๆตามขึ้นมาอันจะเป็นเหตุที่ว่าทําให้จิตไม่เป็นสมาธิก็จะเป็นอันตรายแก่มักผลนิพพานได้ปลาโลกความเพียรเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรในการบําเพ็ญสัมารรมาทรฏฐิเพราะว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะสําเร็จได้นั้นก็ต้องอาศัยความเพียรเป็นผู้บริบูรณ์ศีล ศีลนี่เป็นบันไดขั้นต้นที่จะใหถึงมรรคผลนิพพานสมาธิเป็นบันไดขั้นที่สองศีลนั่นเป็นสิ่งที่ระงับกายวาจาให้เหรียบร้อยส่วนสมาธินี้ก็เป็นทำเป็นการที่ทาจิตใจใหสงบและก็ปัญญาปัญญานี้ก็เป็นเหตุให้รู้แจ้งกองทมทั้งปวง วิมุตต์หมายถึงว่าการหลุดพ้นการไม่มีอะไรไม่มีความอะไรในต่างๆและความรู้เห็นในในายานทัทสนาวิมุตต์คือความรู้เห็นว่ายานคือปัญญาแจ้งในการหลุดพ้นแล้วทั้งสิบประการนี้ท่านได้สั่งสอนบริษัทเป็นประจําเพราะฉะนั้นองค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจึงได้ยกย่องสรรเสริญท่านว่า เป็นผู้เลิกกว่าพิสุท์ั้งหลายในด้านพระธรรมกฤเิท่านพระกุณณมานตานีบุตรผู้นี้ได้ช่วยประกาศพระาศาสนาตามความสามารถตามความสามารถของตนของตนได้เป็นกำลังใหญ่ในกา ร, ราศาสนา ในการประกาศศาสนาองค์หนึ่งเหมือนกันท่านก็ได้ดำรงสังขารอยู่มาโดยสมควรแก่การนั้นก็ดับขันทัปปรินิพานแต่การที่ท่านท่านปรินิพานนั้นก็ไม่ได้ท่านตามประวัตินั้นก็ไม่ได้แจ้งไว้ว่าท่านปรินิพานที่ไหนแล้วก็เมื่อไรเมื่ออายุาย เ, เท่าไรเป็นแต่เพียงกล่าวไว้ว่าเมื่อท่านอยู่มาโดย สมควรแก่การแล้วก็ดับขันธปรินิพพานก็เป็นอนว่าจบประวัติของท่านพระปุณณมันตามนีบุตรไว้แต่เพียงแค่นี้ขอความเจริญผาสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านสาธุชนและนักศึกษาทุกท่านด้วยกันขอเจริญพร จเจริญสุขสวัสดีท่านนักศึกษาและท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็ถึงประวัติของท่านพระมหาเถระองค์สำคัญอีกองค์หนึ่งเป็นอันดับที่สามสิบหกและเป็นพระเถระที่ได้รับเอตถคะอันดับที่สิบก็คือประวัติของท่านพระกาลุทายีเถระ ท่านพกาลุทายีเดิมประวัติเดิมของท่านนั้นท่านเป็นบุตรของมหาอามาตคนหนึ่งในกรุงกบิลพัทเพราะฉะนั้นเป็นบุตรของมหาอามาตคนหนึ่งในกรุงกะบิลพัทท่านแอบกาลุทายีผูน้นี้เดิมนั้นชื่อเพียงอุทายีชื่อว่าอุทายี แต่ปรากฏว่าผิวกายของอุทายีกุมารผู้นี้มีผิวกายดําค่อนข้างดําเพราะฉะนั้นชนทั้งหลายก็จึงได้เรียกกันว่ากาลุทายีก็แปลว่าอุทายีดําเพราะเหตุว่าอุทายีนี้คงจะมีชื่อซ้ําๆกันหลายคนด้วยกันดังนั้นอุทายีผู้นี้มีผิวกายค่อนข้างดําก็จึงได้ชื่อว่ากาลุทายี การลุทายีผู้นี้ได้เป็นสหาชาติกับพระมหาบุรุษคือเจ้าชายศิษฐกุมารหรือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าคำว่าสหาชาตินี้ก็คือว่าเกิดพร้อมกันเกิดในวันเดียวกันเกิดพร้อมกันในวันเดียวกันกับพระมหาบุรุษบุคคลและ สิ่งของต่างๆที่เกิดในวันเดียวกันกับพระมหาบรุษที่เรียกว่าสหาชาตินั้นมีอยู่ด้วยกันเจประการด้วยกันก็คือหนึ่งพระนางยาโสธราหรือพิมพาซึ่งเป็นพระเทวีของเจ้าชายศิษะกุมารผู้เป็นมันดาของพระราหุล น, นี่ก็เกิดพร้อมกัน 2. พระอานนท์หรือเรียกว่าอานันทะ ซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าอาคือเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุกโกธนะเป็นพระเจ้าอาของเจ้าชายศิทาภูมารคือเป็นลูกผู้น้องก็เกิดวันเดียวกันสามกาลุทายีอมาตผู้นี้คือกาลุทายีหรืออุทายีดำพู้นี้ก็เกิดพร้อมกัน สีช่ชนะอมาตฉันนะอมาตคนที่ได้ตามเสด็จโดยเสด็จกในการที่เจ้าชายสิทธากุมา น, นั้นออกมหาพิเนสกรมคือออกทรงพรนวดที่ทรงหนีออกผนวดในเวลากลางคืนนั้นก็มีฉันนะผู้นี้ติดตามเสด็จไปด้วยนี่ก็เกิดวันเดียวกัน หช้างกันอชห้าม้ากันตะกะม้ากันตะกะนี่ก็คือม้าที่เจ้าชายิทธากุมารีทรงขับขี่ออกผนวดในคืนนั้นเป็นภาชนะให้แก่พระองค์ก็เกิดในวันเดียวกันหกต้นโพตสรุที่เราเรียกว่าต้นพระศีมหาโพธิ์ที่พระองค์ได้ประทับนั่ง ตัลุอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณในตรัสรุอริยสัจสีประการนี่แหละต้นโพต้นนี้ก็งอกขึ้นในวันเดียวกันในวันที่เจ้าชายศิทธากุมานันประสูติแล้วก็เจ็ดขุมทรับทั้งสี่ขุมทรั์ทั้งสี่นี้ท่านกล่าวว่า เกิดขึ้นสี่มุมเมืองคือเกิดขึ้นสี่มุมพระนครแห่งกรุงกบิลพัทขุมทรัพย์สังศีนี้เกิดเพื่ออ่าด้วยอำนาจบุญญาธิการซึ่งที่อ่าซึ่งเจ้าชายศิษฐากุมาร น, นี้จะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแต่เมื่อเจ้าชายศิษฐากุมาร น, นี้ไม่ปรารถนาจะเป็นเจ้าไม่ปรารถนาจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิสละราชสมบัติ ออกบรรพชาที่นคือนั้นก็ปรากฏว่าคุมทรัพย์ทั้งสีนี้ก็ได้จมลงไปในพื้นแผ่นดินหายไปไม่ปรากฏึินต่อไปเจ็ดประการนี้เรียกว่าสหาชาติเจ็ดก็คือสิ่งที่เกิดร่วมกันแอบเกิดพร้อมกันในวันนั้นกาลุทายีผู้นี้เมื่อจเจริญวัยแล้วก็ได้ถวายตัวเป็นอมาตะ นตนเองเป็นลูกอมาตย์แล้วก็ได้ถวายตัวเองเป็นมหาดเล็กของพระมหาบรุษเจ้าคือของเจ้าชายสิทธากุมารก็ปรากฏว่าเป็นผู้ที่เป็นคนที่สนิทสนมคุ้นเคยกันมากกับพระมหาบรุษขั้นเมื่อพระมหาบรุษนั้นเสด็จออกทรงบรรพชาแล้วได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ สเสด็จเที่ยวเทศนาสั่งสอนแก่เวนายศัตว์และประทับอยู่ที่กรุงราชคลืนมหานครนั้นพระเจ้าสุโทธทนะผู้เป็นพระพุทธบิดาทรงทราบก็มีพระประสงค์ต้องการจะต้องการมีพระประสงค์ใครจะทอดพระเนตรพระราชโอรสซึ่งได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ก็จึงมีพระราชองค์การนั้นดำหลัดใช้อำมาตคนหนึ่งพร้อมกับให้คนมาอ่าพร้อมกับให้คนมาพันคนมาเป็นบริวารให้เดินทางจากกรุงกบิลพั์มายังกรุงกรุงราชคลึเพื่อที่จะให้มาทูลเสด็จนะทูลเสด็จกลับไปเยี่ยมพระนครกรุงกบิลพั์ คือให้ให้มาทูนเสด็จองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเสด็จกลับไปเยี่ยมกรุงกบิลพัททินทินมาตุภูมิเดิมอามาตพร้อมด้วยบริวานนั้นรับพระราชองค์การแล้วก็พาพาบริวานมาเฝ้าพระบรมศาสดาที่พระเชตวันมหาวิหาร ได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็ปรากฏว่าบรรลุพระอระหันต์พร้อมกันทั้งหมดเมื่อบรรลุแล้วก็จึงได้ทูลขออุปสมบทในพระธรรมวินัยด้วยกันทั้งหมดทั้งพันคนองคสเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยเอหิพิกุปสมะฐานแต่เมื่อได้อุปสมบทแล้ว ก็เป็นผู้ที่ไม่ได้ขวนขวายขวนขวายตะกิจสมณะไม่ได้ขวนขวายถึงคำสั่งที่พระบรมทีพระพุทธบิดานั้นได้อ่าได้ทรงมีพระราชองค์การมาแล้วก็ไม่ได้ทรงข่าวไปให้พระเจ้าสุทโธทนะได้ทรงทราบหายเงียบไปเฉย ส่วนพระเจ้าสุโธทนะพระพุทธบิดานั้นเมื่อไม่เห็นพระโอรสเสด็จมาและทั้งไม่ได้ทราบข่าวด้วยก็จึงได้ใช้อํามัดคนอื่นมาอีกพร้อมด้วยบริวารพันคนมาทูลเสด็จอํามัดนั้นก็กลับก็มาเฝ้าพระพุทธองค์มาทูลจะมาทูลเสด็จได้ฟังเทศแล้วก็สําเร็จเป็นพระหรหันต์อีกแล้วก็ขอแอบทูลขอ บ, บรรพชาอุสมบทเป็นภิกษุแล้วก็ไม่ได้ส่งข่าวไปให้อีก โดยในนี้แหละพระเจ้าสุโธทนะนั้นได้ส่งคนมาแล้วทั้งหมดเก้าครั้งเก้าพันด้วยกันเพื่อจะมาถูเสด็จพระพุทธองค์นั้นกลับไปเยี่ยมที่กรุงก บ, บิลพัทก็ปรากฏว่าหายกันมาหมดและก็ไม่ได้ข่าวเลยในวาระที่สิบนั้นก็จึงได้ตรัสสั่งให้การุทายีอมหัดซึ่งการุทายีมหาเล็กคนนี้ อยู่ต่อมาก็ได้เป็นอมตะแล้วก็ซึ่งเป็นคนที่คุ้นเคยเป็นอันดีและเป็นคนที่โปรดปลานของพระบรมศาสดาคือเจ้าขณะที่ยังเป็นเจ้าชายธิทาภุมานอยู่ด้วยให้ไปทูลเสด็จการุทายีอมาภูนี้ก็ทูลลาบวดด้วยโดยขอพระบรมราชาอนุญาตขอบวดขอลาบวดพระเจ้าสุทธโธทนะก็ ทรงพระราชทานให้แต่ก็ได้กําชับไว้ว่าจะบวชก็ไม่ว่าแต่ว่าขอให้ทูลเสด็จพระบรมศาสดามาให้ได้การลุทายเยาะหมาปูนี้ก็พร้อมด้วยบริวารด้วยการพันคนก็ได้มาจากกรุงกบิลพัฒน์มาเฝ้าพระบรมศาสดานั้นที่พระเวฬุวันมหาวิหารได้ฟังพระธรร ม, มเทศนาแล้วก็บรุพระอรหันตแต่ผล พร้อมกันด้วยบริวารทั้งหมดแล้วก็ได้ทูลขอบวชในพระธรรมวินัยพระองค์ก็ทรงอนุญาตให้โดยเอหิพิคุบุสมปทาเมื่อกาลุทายีเมื่อกาลุทายมาีมันนี้ได้อุปสมบทแล้วรอเวลาอันสมควรมาจนถึงฤดูเหมันก็คือฤดูหนาวท่านเห็นว่าเป็นการสมควรที่จะทูลเสด็จพระบรมศาสดาได้แล้ว เพราะวันในฤดูเหมมันหรือฤดูหนาวนี้ก็เป็นฤดูที่ประชาชนนั้นได้เกี่ยวเก็บข้าวกล้า น, นาเกลือหมดแล้วเกี่ยวเก็บข้าวนากล้านาเกลือหมดแล้วแล้วก็ไม่ใช่เป็นฤดูฝนจะไม่ลําบากในการเดินทางเห็นเป็นเวลาที่เหมาะแผ่นดินในเห็มมันตะรฤดูนี้แผ่นดินก็ยังไม่แข็งมากนะักเพราะเพิ่งเสร็จการเกี่ยวข้าวกล้า น, นาเกลื อ, อข้าวกล้าไปใหม่ แฮนดิ้ก็ยังไม่แข็งยังไม่แรงมากเกินไปเหมาะที่จะทูนเสด็จได้แล้วก็จึงได้กราบทูลพัลน า, าถึงหนทางาจากพระเวรุวันมหาวิหารที่จะไปสู่หรือว่าจากกรุงราชฤทธที่จะไปสู่กรุงกบิลพัฒน์นั้นพัลน า, าถึงหนทางอาอันเต็มไปด้วยอลุคชาติต่างๆ และก็สิงสาราสัตว์ต่างๆอันเป็นที่น่าลื่นลมยินดีนั้นด้วยพระค า, าถาถึงหกสิบคาถาซึ่งหนระยะหนทางนี้จากกรุงราชคจ้์ถึงกรุงกบิลพัฒน์นั้นประมาณหกสิบโหนทางไกลประมาณหกสิบยโยตหนึ่งประมาณสิบหกกิโลแล้วก็ได้ทูลเชิญเสด็จพระบรมศ า, าสดานี้พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ผู้เป็นบริวาร น, นั้นไปสู่กรุงกบิลพัฒ์ เพื่อที่จะไปโปรดพระพุทธบิดาเมื่อท่านพระกาลุทายีทูลเช่นนี้แล้วองค์สุเดจพระสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าก็ทรงรับที่จะเเด็จกลับคืนพระนครก บ, บิลพัทดังนั้นพร ะ, พระกาลุทายีนี้เมื่อได้ทราบเช่นนี้แล้วก็จึงได้ไปกรุงก บ, บิลพั์ล่วงหน้าไปก่อนโดยที่แจ้งข้อความอันนี้แก่พระเจ้าสุโทธทนะ และแจ้งให้ทราบว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะเสด็จมาวันนั้นแล้วก็จะเสด็จวันละหนึ่งยอดดังนั้นจึงได้แจ้งให้พระเจ้าสุโธธนะนี้ได้ทําที่สําหรับพักแรมในระหว่างหุ่นฐานนั้นแต่ละยอดละยอดคือทําที่พักสําหรับพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพิสูุน์สงนั้นในหุ่นฐานนั้นแต่ละยอดละยอดยอดหนึ่งก็ทําไว้ที่หนึ่งเพราะฉะนั้น กว่าจะถึงกรุงราชคลีนี้กว่าจะถึงกรุงกบิลพัน์นี้ก็ประมาณห้าสิบเก้าแห่งด้วยกันห้าสิบเก้าแห่งที่พักเมื่อถึงเวลาที่องค์ธธรรสุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ่าพร้อมด้วยภิกษุ ส, ษสงฆ์สองหมื่นลูกพระภิกษุ ส, ษสงฆ์สองหมื่นลูปนี้ ท่านกล่าวว่าเป็นพระภิกษุสงฆ์หนึ่งหมื่นรูปนั่นเป็นชาวกรุงกบิลพัทที่พระเจ้าสุทโธทนะได้ส่งมารัตนาถึงสิบครั้งสิบพันสิบพันเดวกกันพร้อมด้วยบริวารทั้งสองหมื่นรูปพระองค์ก็เสด็จออกจากกรุงราชะคลีมาตามมันคาต่างๆวันละโยน์ละโยน์ ในขณะที่พระองค์ในขณะที่องค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพิสุสง่์นั้นเสด็จมาวันลโยศเมื่อพักแล้วในตอนเช้าก็ออกบิธบาติแล้วก็ประกาศสาสนาธรรมแก่ชาวบ้านที่พระองค์สเสด็จไปบิธบาตินั้นแถวนั้นแล้วก็สเสด็จ ด, ดําเนินต่อมาวันละหนึ่งยศและยศจนอย่างนี้ส่วนท่านพระกาลุทายีผู้นี้ก็จึงได้ล่วงหน้าไปก่อน ล่วงหน้าไปบอกแก่พระเจ้าสุโทธทนะว่าบัดนี้พระพุทธองค์นั้นได้เสด็จมาถึงที่นี่แล้วมาถึงที่นั่นแล้วแล้วก็พระเจ้าสุโทธทนะนี้ได้ให้ถวายอาหารมิจฉบัตแก่พระกาลุทายีแล้วก็อีกส่วนหนึ่งได้ฝากให้ท่านพระกาลุธายีนี้นํามาถวายพุทธองค์ด้วยเช่นนี้เป็นเวลาด้วยกันทั้งหมดถึงหกสิบวัน พระพุทธองค์พร้อมด้วยพิสูจสงฆ์ทั้งหลายก็จึงได้ถึงกรุงก บ, บิลพัทแล้วเมื่อถึงกรุงก บ, บิลพั์แล้วก็ได้เสด็จเข้าพักอย่างนิคโครทาลามอันเป็นที่พักที่พระเจ้าสุทโธนะนัลได้จัดถวายทําที่พักถวายที่ตอนที่สวนของเจ้าชายนิคโครธ เพราะเหตุที่ท่านพระอุบาตท่านพระกาลุทายีนี้ได้ล่วงหน้าไปทำให้ประชาชนได้สั่งสอนและก็แนะนำให้ประชาชนนี้เกิดความเลื่อมใสในพุทธศาสนาเป็นอันมากองคุณเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงได้ยกย่องท่านพระกาลุทายีนี้ว่าเป็นผู้เลิศกว่าพิสุท์ทั้งหลายผู้ยังสกุลที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสในพุทธศาสนาท่านได้ดำรง อายุสังขารมาอยู่การมาสมควรแก่การก็ดับขันธปริพัานี่คือประวัติของท่านพระกาลุทายีเถร ะ, ะประวัติของท่านพระมหาเถร ะ, ะองค์ต่อไปก็คือประวัติของท่านพระนันทะเถระสักยะท่านพระนันทะเถระสักยะผู้นี้ก็เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุโธธนะกับพระนางประชาบดี โพตมีผู้ครองกรุงก บ, บิลพัทนันทาศักยะาผู้นี้ก็คือว่าเป็นน้องชายเป็นพระอนุชาของเจ้าชายสิทธากุมารพระบิดาเดียวกันแต่ว่าต่างมารดาคือนันทานี้เป็นลูกของพระแม่นาะ ในขณะที่นันทานี้ยังอยู่ในครันมันดาอยู่ทำให้พระประยุริญาติทั้งหลายนั้นเกิดความยินดีล่าเลิงอยากจะเห็นอยู่เสมอว่าเมื่อไรจะประสูตรมาอยากจะทราบว่าพระโอรสนั้นจะเป็นไงโอรสในครันนั้นจะเป็นพระโอรสหรือจะเป็นพระธิดากันแน่ทำให้ญาติพี่น้องนั้นเกิดความหันศาล่าเลิงกันมาก ด้วยเหตุนั้นเมื่อพระราชกุมารประสูติมาแล้วปัญญาบรรดาพระวิญญาณทั้งหลายก็จึงได้ถือเอานิมิตอ น, นั้นเนี่ะถวายพระนามวันนันทกุมารเมื่อพระบรมศาสดานั้นได้ตัดสู่แล้วเสด็จมายัางกรุงราชกบิลพัทที่พระการุทายีอา ม, มาตย์นั้นได้ทูลอาราธนามาทูลเสด็จมานั้นมาพักประทับอยู่ที่นิโครทาลามแล้วก็ในวันนั้นเอง ก็ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดบรรดาประยุริญาทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องมหาเวสสันตราชาดกแล้วในวันต่อมาพระองค์ก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนานั้นโปรดพระราชบิดาแล้วก็พระนางมหาประชาบดีพระแม่พระแม่นานั้นพระนางนางนั้นโดยการประกาศสุจริตธรรมให้ได้ความเชื่อความเริ่มใสแล้วในวันที่ห ที่พระองค์นั้นมาประทับอยู่ที่กรุงกบิลพัทเป็นวันที่นันทะกุมารผู้นี้กระทาอาวาหะวิาวาหะมงคลพิเศษกับพระนางกับนางชนบทกระยาณีคืออภิเศกสมรสกับพระนางชนบทกระยาณีในวันที่เป็นอ่ามงคลในวันวิวาหะมงคลเช่นนี้ พระเจ้าสุธูธนะนั้นได้ทูลอาราธนาพระองค์พร้อมด้วยพิสุสง์ไปเสวยพระกายาหารที่ตำหนักของนันทกุมารองค์ทุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเมื่อทรงเสวยแล้วพระองค์อนุมโมทนาก็ทรงบัรให้นันทกุมารถือไว้และพระองค์ก็ตรัสไวยพรเพื่อความเป็นมงคลเสร็จแล้วก็พระองค์ก็เสด็จกลับ แต่ว่าพระองค์ไม่ทรงรับบาตรจากนันทะนันทกุมารนี้ก็ต้องถือบาตรเนี่ยตามเสด็จมาโดยที่ลําพึงอยู่ในใจว่าพระองค์รับบาตรที่ไหนก็จะรีบเสด็จกลับเลยแต่ก็ไม่สามารถที่จะทูลเตือนพระองค์นั้นให้รับบาตรได้เพราะมีความเคารพในพระองค์เป็นอย่างยิ่งส่วนนางชนบทกระยาณีนั้นที่จะเป็นพระเทวีที่จะเป็นพระเทวีทเทเทวของพระนันทะกุมารนั้น ได้เห็นอาการเช่นนั้นแล้วจึงร้องสั่งว่าขอพระรูกเจ้าจงรีบเสด็จกลับมาพระพุทธองค์นั้นก็เสด็จมาโดยที่ไม่ได้รับบัตรนันทะจนกระทั่งถึงเสด็จถึงที่ประทับจึงตรัสถามกุมอนันทะกุมารว่านันทะเธอจะบวชหรือนันทากุมารแม้มีใจจะไม่สมัครจะบวช ก็ไม่อาจที่จะขัดได้เพราะว่ามีความเคารพมากจึงทูลยอมรับด้วยความไม่พอใจว่าจะบวชพระเจ้าค่ะมีใครบ้างที่อยากจะบวชตอนนี้กำลังอภิเศกส่วนลดแต่งงานกันอยู่วันนี้เองและยังไม่ทันที่จะได้ส่ ง, สงตัวเข้าหอลงเสร็จแล้วพระองค์กลับมาถามว่าจะบวชหรือมีใครบ้างอยากจะบวช แต่ก็เพราะเหตุที่ว่ามีความเคารพในพี่ชายของตัวเองคือพระองค์นั้นเป็นพระเชษฐาเป็นพี่ชายแท้ๆพุทธบิดาเดียวกันแต่ว่าต่างมรณดากันมีความเคารพและในขณะนี้พระองค์ก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าก็ไม่กล้าที่จะขัดว่าไม่พอใจที่จะบวชก็รับไปโดยการที่ไม่พอไม่พอใจนั่นแหละว่าจะบวชขั้นบวชแล้ว อ, องค์สมเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อนันทะตรัสเช่นนั้นแล้วก็จึงสั่งให้พระพิสุสงลงเกสาของนันทะแล้วก็จะการบวชทันทีแต่ขั้นบวชแล้วนันทะกุมารผู้นี้อนันทะเทละผู้นี้หัวละลึกแต่ถึงคําที่นางชนบทกาลยานีร้องสั่งมาอยู่เสมอเสมอยังก้องอยู่ในพระโสดเสมอว่าขอพระลูกเจ้าจงด่วนกลับ จึงมีความกระสันไม่ผาสุขมีความกระสันอยากจะศึกอยู่เป็นนิดไม่มีจิตใจที่จะประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปคิดจะศึกออกมาเรื่อยอยู่เป็นนิดพระบรมศาสดาทรงทราบเรื่องเช่นนี้แล้วก็จึงได้พาท่านพระนันทะเนี่ยจาริกไปในที่ต่างๆให้ได้เห็นหญิงที่มีรูปงามกว่านางชนบทกัลยาณี โดยอันดับแรกนั้นพระองค์ทรงให้เห็นนางลิงรุ่นตัวหนึ่งซึ่งเป็นนาเป็นลิงนางลิงขีอคีเลือนหางก็ดวนและพระองค์ก็ทรงให้เปรียบเทียบให้ดูว่านางลิงผู้นี้กับนางกับนางชนบทกระยาณีเนี่ยใครสวยกว่ากันพระนันทะก็บอกว่านางชนบทกระยาณีสวยกว่าแล้วพระองค์ก็พาไปให้เห็นหญิงที่มีรูปร่างสวยงามมากกว่านางชนบทกระยาณีก็พระองค์ก็ทรงถามว่า หญิงคนนี้กับนางชนบทกระยาณีนั่นใครสวยกว่าพระ น, นัน tha ก็บอกว่าหญิงผู้นี้สวยกว่านางชนบทกระยาณีเมื่อจะเปรียบเทียบแล้วนางชนบทกระยาณีนั่นเหมือนกับนางลิงที่เลื่อนตัวนั้นแล้วก็หญิงผู้นี้เหมือนกับนางชนบทกระยาณีคือห่างกันขนาดนั้นพระ น, นัน tha นั้นเมื่อได้เห็นหญิงงามๆเช่นั้นก็แล้วก็มุ่งหมายอยากจะได้หญิงที่รูปร่างสวยๆงามๆนั้น มาเป็นคู่ครองของตัวเององค์ุณเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเป็นผู้รับประกันว่าดูก่อนว่านันทะถ้าหากว่าเธอตั้งใจจะประพฤติพรหมจรรย์แล้วตาหาคตนี่รับรองว่าจะหาหญิงที่สวยๆงดงามนั้นมาให้เมื่อนันทะได้มีองค์ุณเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารับประกันเช่นนั้นต่อแต่นั้นมาก็จึงได้ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อนพิสษุทั้งหลายพอรู้เทร า, าบข่าวเช่นนี้เขาก็จึงได้ล้อเรียนท่านว่านันทะนั้นท่านพระนันทะ น, น, นันะ้ น, นประพฤติพรหมจรรย์เพื่อเห็นแก่ต้องการจะได้หญิงที่ ส, สวยงดงามมาเป็นคู่ครองโดยที่องค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ค้ำประกันพระนันทะได้ฟังคำที่พิสูจน์ทั้งหลายพูดจาเยอะเยอะอย่างนี้ก็เกิดความละอายก็จึงได้เลกออกจากหมู่ไปอยู่ในที่สงัดบำเพ็ญสมณธรรม เมื่อได้บําเพ็ญในขณะที่บําเพ็ญสมณธรรมนั้นก็จึงได้พิจารณาไปว่าความรักนี้ไม่มีสิ้นสุดเมื่อเห็นคนนี้สวยก็ได้รักคนนี้เมื่อเห็นคนที่สวยกว่าก็กลับไปรักคนที่สวยกว่าอีกความรักนี้เป็นของไม่นแน่นอนก็เลยเกิดความเบื่อนหน่ายขึ้นพยายามบําเพ็ญเพียรสมณธรรมจนกระทั่งได้สําเร็จพระอรหันตผลเป็นพระอรหรันต เมื่อท่านได้บรรลุพระอาหารหันต์แล้วท่านก็ได้มากราบทูลต่อองคุณเทพสมมาสมพุทธเจ้าว่าการที่พระองค์นั้นได้เป็นผู้คำประกันต่อข้าพ พ, พุทธเจา้าต่อข้าพระองค์นั้นว่าจะหาหญิงงามมาให้นั้นเป็นอันว่าพระองค์นั้นหมดพันธะแล้ว องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงทราบแล้วว่าการที่นันทะผู้เช่นนี้ก็หมายถึงว่าได้บรรลุพระอาหารหันต์แล้วพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนนันทะตะถาคตก็รู้อยู่เมื่อใดเธอได้บรรลุพระอาหารหันต์แล้วตถาคตก็หมดภาระที่จะเป็นผู้คำบรงคันเธอเมื่อท่านพระนันทะ เทระผู้นี้ได้บรรลุพระอรหัสต์แล้วก็ปรากฏว่าท่านเป็นผู้มีความสำรวมระวังอินทรีย์เป็นอย่างมากคืออินทรีย์หกตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหกประการนี้ปรากฏว่าท่านเป็นผู้ที่มีความเคร่งครัดสำรวมมากในอินทรีย์ จนกระทั่งที่ได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดานเนี่ยว่าเป็นผู้เลิ่กว่าพิสุทธ์ทั้งหลายในฝ่ายข้างสำรอมอินทรียทั้งหกคือไม่ให้เกิดความยินดียินไลายได้ด้วยอํานาจของโลกธรรมและเป็นผู้ที่เกือ้อกูลในปฏิพันธ์อยู่ต่อมาพระพิสุท์ั้งหลายนี้ก็จึงได้กราบทูลถามพระพระ พ, พุทธองค์ว่าทําไมพระอรหันต์ซึ่งมีอุปัตฺตฺแั่ง บุคคลซึ่งมีอุปนิสัยในการที่จะเป็นพระรหัางนี้ยังต้องมีคนคำประกันหรือว่าเป็นผู้คำประกันหรือผู้ย่างไงว่าต้องจ้างกันประพฤติพรมอาจารย์เพราะเหตุอันใดองค์ทุเดชพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองคุตรักว่าตถาคตนั้นไม่ได้เป็นผู้กรรมกันหรือว่าจ้างให้นันทะผู้นี้แต่เพียงในชาตินี้เท่านั้นแม้ในอดีตการตถาคตนั้นก็เคย เป็นผู้คำระกันนันทะภูนนี้แล้วภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลถามขอให้พระองค์เล่าประวัติของนันทะให้ฟังพระองค์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงได้เล่าประวัติของนันทะให้ฟังว่าในอดีตการนั้นพระองค์เป็นพ่อค้าลาต่างคือบรรทุกสินค้าเอาสินค้าบรรทุกหลังลาไปขายอย่างต่างเมืองเมื่อบรรทุกสินค้าของลาแล้วไปถึงก็ ปลดลาขึ้นก็นำาเอาสินค้านั้นไปขายเมื่อขายหมดแล้วก็ซื้อสินค้าจากต่างจังหวัดนั้นกลับมาขายอย่างบ้านเมืองของตนเองเป็นประจำอยู่มาวันหนึ่งเมื่อได้บรรทุกสินค้าไปอย่างต่างจังหวัดแล้วได้ปลดให้ลานั้นเที่ยวหากินตามอิสระแล้วพ่อลานี้ก็ไปเจอนางลาต น, นึ่ง เกิดมีความรักสมัครรักใคร่กันนางลาตัวนั้นเมื่อพ่อค้าเมื่ อ, อเมื่อสถาคตพบเป็นพ่อค้านั้นคิดจะกลับมานั้นพ่อลาไม่ยอมกลับเพราะว่าติดใจนางลานั้ น, น, นเลยพ่อค้านั้นก็กล่าวว่าขอให้ท่านเนี่ยให้ท่านเนี่ยนำสินค้านี้กลับไปยังบ้านเดิมแล้วเข้าไปเจ้ารับรองว่าจะหานางลาซึ่งมีสีเท้าหน้าเหมือนก็สังให้มาเป็นพัญญาของท่านพ่อลานี้ก็ยอมตกลง เมื่อกลับมาถึงที่แล้วอยู่มาสองสมวันก็ทวงถามทัญญาพ่อค้าก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่ลืมลักแต่ว่าข้าพเจ้านั้นให้อาหารคือยากแก่ท่านส่วนหนึ่ง <อ de. S 1> เมื่อเจ้านั้นมีพัญญาแล้วข้าพเจ้าก็จะให้เพียงส่วนเดียวเท่านั้น<อ>แล้วเมื่อเจ้านั้นมีลูกออกมาข้าพเจ้าก็จะให้เพียงส่วนเดียว<อ>การที่พัญญาของเจ้าและก็ลูกของเจ้านั้นจะมีอาหารที่ไหนกินนั้นก็เป็นภาระของเจ้า เมื่อพ่อค้ากล่าวช่นนี้แล้วก็ปรากฏว่าพ่อลานนั้นก็หมดอาไล่นี่แหละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงได้นำเรื่องในอดีตการมาเทศนาให้พิษุท์ทั้งหลายฟังท่านพระนันทะ น, นี้ได้ดำรงอายุสังขารอยู่มาโดยสมควรแก่การก็ดับขันธปรินิพานเอาละท่านสาธุชนทั้งหลายขอความสาสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกๆ ท, ท่านด้วยกัน ขอจะเลพ อ, อน